พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภากระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบดีเป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีชีวิตของเรายัางมีลมหายใจอยู่จะได้พากันนั่งสมาธิภาวนา น, นั่งกรรมาฐาน การนั่งสมาธินีเป็นข้อวัดปฏิบัติของพุทธสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาดขัดสมาดเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตานึกภาวนาพุทธโธ ร, รวมจิตใจเข้ามาภายในเวลานี้ให้มีสติระวังจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ใดๆทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราจะมีสติ ระลึกภาวานาอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ลมเข้าไปลมออกมาคิตใจผู้รู้อยู่ที่ไหนที่รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในใจิตใจให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดๆ ยังดวงจิตดวงใจของเราให้เยือบเย็นสบายเหมือนน้ำฝ้าน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นโลกมนุษย์นี้ให้ชุ่มเย็นไปด้วยทุกอย่างทุกประการใจมนุษย์คนเหล่านี้ถ้าไม่มีภาวนา ไม่มีเมตตาไม่มีกรุณนาไม่มีมุทิตาไม่มีอุบเบกขาใจมนุษย์นี่มันร้อนเป็นไฟลุกเป็นไฟถ้าจิตใจมีความเมตตาภาวนาพุทธโธอยู่ในดวงใจเยตใจก็ย่อมเย็นสาบายมีความสุขความทุกข์ไม่มี ราะว่าใจมันมั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่มีเวลาใดที่จิตใจของพระองค์ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงวันหนึ่งวันหนึ่งเคยจิตใจของพระองค์เพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นหมดสิ้นสงสัยหมดสิ้นทุกอย่างทุกประดการไม่มีสิ่งใดที่จะ ให้จิดใจของพระองค์เป็นทุกเป็นลอนกับกอกหลอกลวงอีกพระองค์มีสติเต็มที่เรียกว่าเป็นมหาสติมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าพระพุทธิจา้าเมื่อตัดสาโแล้วจะแข็งกระด้างอยู่เหมือนพระพุทธโลกที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ เมื่อพระองค์ยังมีพระชนชีพยอยู่ตราบใดความเคลื่อนไหวไปมาทั้งกายได้แก่จิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทางวาจาเรียกว่าตรัสพระธรรมเทศนาไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาเรียกว่าตรัสเป็นธรรมสอนเป็นธรรม ไม่ได้เองเอียงไปเข้ากับคนใดคนหนึ่งความเป็นยุติธรรมมีโยในองค์พระพุทธเจ้ากายวาจาจิตเดว่าเป็นมีความยุติธรรมอยู่ในตัวสารีาราล่างกายของพระองค์รอบข้างละวาละวาก็มีรัศมีหกประการสีแสงหกอย่างรอบไป นันก็เป็นคําสอนอันหนึ่งสอนมนุษย์เมื่อคนใดได้เกิดในสมัยนั้นได้เห็นก็ย่อมเกิดความปีติยินดีว่าเป็นของอัศจฉรย์เป็นความอัศจัรย์ไม่มีมนุษย์ที่ไหนจะเป็นไปได้อย่างนั้นด้วยอำนาจพุทธภูมิพุทธบารมี หากเป็นไปได้ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยหรือวิสัยที่คนเราจะไปติดตามรู้ได้ก็ได้แต่สักการะบูชากาบไหว้นอบน้อมถึงท่านอยู่เสมอที่พระท่านเทศหรือเราจะทำบุญสุนทานอันใดก็มักจะตั้งนโมนโมก็คือว่าความน้อมนึกลำลึกถึงพระพุท ธ, ธเจ้า ผู้ละกีเลทร้อมทางวาสนาผู้จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกอันนี้อีกชาตปัจจุบันของพระองค์จึงเป็นชาติสุดท้ายชีวิตแตกดับก็เข้าสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับร้อนกับเย็นกับฝ้ากับฝนกับดินน้ำไฟลมกับคนกับสัตว์ ในโลกนี้เอกนิพพานเป็นอันว่าสุดยอดนิพพานอยู่ที่ไหนความจริงก็คือว่านิพพานังปรามังสุขังนิพพานเป็นสุขนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นก็อยู่ในใจทุกคนนั่นแหละแต่ว่าใจทุกคนเหล่านี้ที่ยังไม่ได้ภาวา น, านาละกิเลสให้หมดให้สิ้น เราก็เลยโยกับกิเลสกิเลสความโกรธมันพาให้โกรธกดลงไหลไปกับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภคือความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดโลภตัณหาในจิตมันเกิดมีขึ้นมาเรากดลงไหลไปตามโลภความโลภนั่นกิเลสความหลง เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หลงไปไหลไปวุ่นไปวายไปตามกระแสของอารมณ์กิเลสคือว่ายังละกิเลสยังไม่ได้เต็มที่กิเลสอันนี้แหละมันปิดบังนิพพานไว้ไม่รู้ถ้าผู้ใดมาปฏิบัติบูบชาภาวนาหรือว่าบำเพ็ญบารมีตามเสด็จพระพุทธเจ้า ได้แก่บารมีสิทธิการบารมีสามสิทธัสรวมเข้ามาอยู่ในจิตในใจให้จิตใจสงบตั้งมั่นให้ได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามกระแสอารมณ์กระแสกิเลสกระแสของคนรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตในใจ จะได้เพียรละกิเลสความโกรธออกไปทีละน้อยละน้อยกิเลสความโลภมีโยที่ไหนก็ตามละออกไปทีละน้อยละน้อยจนหมดไปสิ้นไปกิเลสความหลงกิเลสอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมียศมียางมีอะไรทุกอย่างจนกระทั่งเหลือมีเลิกละออกไปให้หมดสิน้น พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเลิกละจนหมดหม ด, หมดสิ้นและหมดสิ้นก็หมดใสสะอาดนามพระไทยใจพระพุทธเจ้าเมื่อละความอยากความดิ้นลนทั้งหลายออกไปแล้วใจก็ป่องใสสะอาดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีในที่นั้นก็จึงให้ชื่อว่านิพพาน นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขไม่มีอะไรว่าก็ว่านิพพานแต่ว่านิพพานท่านไม่ว่าสมมุติภาษาของโลกขอบัญญัติของโลกของธรรมว่าว่านิพพานนิพพานจริงๆไม่ได้ไปนึกไปน้อมว่านิพพานังประมังสุขขังก็เป็นสุขเรื่อยไปไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวไม่เลยว่าอะไรแลลว เมื่อไปถึงหมดกิเลสแล้วเป็นก็อันว่าหมดทุกอย่างความอยากได้อยากดีความอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างนับไม่ถ้วนก็เลยไปจบอยู่ที่สงบระ ง, งับเห็นแจ้งในนิพพานความสงสัยมาตั้งแต่อเนกชาติก็หมดไปสิ้นไป ความอยากความดิ้นรนใดๆที่มีอยู่ในใจของเราเวลานี้แหละมันก็หมดไปสิ้นไปมันหมดไปสิ้นไปไม่มีอีกแล้วนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขนิพพานังปรามังสุนยังนิพพานเป็นศูนย์ศูนย์จากกิเลสลาคะโทสะโมหะคือว่าเลิกละออกไปให้หมดสิน้น จังมีวิธีการต่างๆบริกรรมภาวนาก็ดีกายกตาสติกรรมฐานก็ตามเอามาพิจารณาเพื่อให้จิตใจสงบตั้งมัน่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วจะได้มีปัญญาพิจารณาความเป็นจริงในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเหล่าเขา ทั้งภายนอกทั้งภายในจะได้มารู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองคือในโลกนี้อะไรอะไรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยัง่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปยอมมีความเปลี่ยนแปลงให้ปรากฏการอยู่จึงให้เชื่อว่าโลกนี้เป็นทุกข์ จงภาวนาเพียนเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาตาใจของตัวเองมันสกที่ไหนมนุษย์ก็ว่ามนุษย์เกง่งลิ้นมันก็ยังมากัดหัวเราได้อยู่เก่งทำไมจึงไม่บอกให้ลิ่นยงไม่ต้องมากัดนั่นแหละโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์กอย่างนี้ ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์ฝนไม่ตกก็เป็นทุกข์ฝนตกมาก็เปียกเป็นทุกข์อะไรอะไรมันทุกข์ใจน่ะเพราะใจยึดถือทุกเนี่ยมันอยู่ที่จิตยึดถือถ้าจิตไปยึดถือล่ะไม่ว่าอะไรล่ะเป็นทุกข์ทางนั่นถ้าจิตปล่อยวางจิตไม่ยึดถือทุกข์ทางหลายแหล่ก็ดับไป ภพธนาขันจิตยึดถือจิตไม่ภาวนานั่นตัวนั้นแหละมันทุกข์มันยึดไว้ถือไว้ไปยึดไฟไว้ยึดไฟความโกรธไว้เขาว่าให้เราเขาดูโทกเราอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละตัวตัวไฟความโกรธโทสะจริตมันเกิดขึ้นมาก่อโลกไม้หัวใจของเราก่อน แล้วก็ไหมหัวใจไหมตาหูจมูกเลี่ยนของบุคคลผู้อื่นทำบุคคลผู้อื่นให้เดือดร้อนทางตนบทภาวนาท่านจึงให้นึกให้เจริญไม่ว่าจะคิดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราของเขาในโลกอย่างไรก็ตาม ให้เห็นว่าสภาวธาตุสภาวธรรมของโลกนี่มันเป็นทุกข์เป็น้อนอย่างนี้เพราะใจยึดถือคนเราท่ายึดถือสิ่งใดเป็นทุกข์ในใจเป็นทุกข์เต็มโลกความไม่ยึดถือเป็นสุขในโลกเมื่อไม่ยึดถือปล่อยวางเลิกละได้เด็ดขาดเป็นสุขในโลกเป็นสุขในใจเป็นสุขภายใ น, ใน เือใจไม่ต้องไปทุกไปเดือดร้อนแทนบุคคลผู้ใดใครจะเกิดมาก็เป็นเรื่องอวิชชาตันหาเมื่อเกิดมาแล้วเขาจะตายก็เป็นเรื่องของความตายของเขาให้รู้เท่าทันเมื่อคนที่นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาอะไรก็ตาม เวลาตายเขาตายไปก็ไม่ต้องไปล่องให้หาเขาเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านไม่ให้ไปยึดถือเมื่อไม่ไปยึดถือสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมันดับไปชีวิตของคนเราก็เหมือนฟองน้ำที่เป็นหน่วยเป็นก้อนขึ้นมาเวลาน้ำตกลงมาจากอากาศ มากระทบน้ำคลังล่าก็เกิดเป็นฟองขึ้นปต่เดี๋ยวเดียวก็แตกไปดับไปชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกันเกิดมาเดี๋ยวก็แตกไปดับไปเหมือนฟองน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปน้ำตกลงมาน้ำฝนตกลงมาก็เกิดฟองขึ้นมาใหม่ก็ดับไป คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้แหละเจตใจผู้ภาวนายาได้หลงไหลคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกต้องนึกให้เห็นเจริญให้ได้ในใจของตัวเองมันเกิดดับเกิดตายอยู่นี่แหละตายเพราะอะไรตายเพราะความหลงตายเพราะความยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเรา ของวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาใช้สอยมันก็เป็นสมบัติของแผ่นดินผลที่สดมันก็ลงโซ่แผ่นดินทางร่างกายตัวตนของเราที่มันนั่งภาวานาอยู่เหีียวนี่ขนาดนี้แหละอีกไม่นานมันก็ทับถมแผ่นดินตายแล้วมันจะเอาไปไว้ที่ไหน จะเผาผีจีกระดูกไม่เผาผีจีกระดูกอย่างไรก็ตามมันก็ลงไปสู่ดินสู่น้ำมันละมันไม่ไปที่ไหนไม่มีทางไปเมื่อยังมีจิตใจคลองอยู่มันก็ดินลนวุ่นวายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเต้นแรงเต้นกาไปตามภาษากิเลสเท่านั้นเองจบลงไปแล้วก็ อาปากให้มแมลงวันไข่ใส่ปากเท่านั้นแหละนอนเข้ากินร่างกายนี่เท่านั้นเองมันดีวิเศษอะไรจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาในโลกอันนี้อยู่ไม่จบไม่สิน้นความจริงโลกนี้เป็นกองทุกขเป็นก้อนทุกไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยก็เต็มไปด้วยทุก พวกสัตว์สิ่งเดลส า, านสัตว์นรกก็เรียกว่าทุกเต็มที่มนุษย์คนเราก็มีทุกเต็มที่ในจิตในใจแม่ภายนอกจะไม่ทุกเหมือนสัตว์สิ่งเดรลสานแต่ว่าในใจนะ่ะมันมีทุกเท่าๆกัน ถ้าผู้ใดมารู้จักถอนตัวอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นในหน้าในตาในตัวในตนในยศในเยี่ยงอย่างอะไรก็ตามไม่ให้มีในใจให้ใจมันรู้เท่าทันทุกอย่างทุกประการตาเห็นลูกก็ไม่หลงในลูกรูปดีก็ไม่หลงมันดีไปแค่ไหนเพียงใด ลูกมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านจึงให้กำหนดตั้งแต่ยังเป็นธาตุน้ำอยู่ธาตุไฟของแม่เคี้ยวเข้าธาตุน้ำก็ค้นเข้าเป็นก้อนเป็นหนวยแตกเป็นปันจักห้าแห่งขาสองแขนสองสีสะหนึ่งอยู่ในท้องแม่ อยู่ในกองเลือดนำเลือดนำเหลืองอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะได้มาจากของโสโ ค, โคปรปฏิกูลกำหนดให้ได้ให้มันเข้าใจถูกต้องอยา่ามาเห็นว่าโลกเป็นของสวยสดงดงามมั่นคงถาวรไม่มีเต็มไปด้วยฟุบโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ คือสภาวธาตุสภาวธรรมเขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละจิตไม่รู้มาอาศัยอยู่ในลูกนามกายใจอันนี้ก็เลยมาหลงหลงต่อไปอีกดิ้นลนวุ่นวายไปตามกราร ม, มาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาผลที่สุดตายแล้วก็หมดฤทธิ์หมดเดช ไม่มีอะไรคิดจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชต่อไปอีกจงภาวานาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองส่วนว่าสติปัญญาของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านพิเนธพิจารณาแจ่มแจ้งท่านเป็นโล ก, กวีทูลูแ้ลลแจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมรู้แจ้งทุกสิ่งทุกประการ แต่ว่าเป็นเลสัยของผู้มีกิเลสอันหมดไปสิ้นไปแล้วท่านไม่เอาไปอวดใครท่านภาวนาอยู่ในใจของท่านรู้แจ้งในจิตในใจท่านสงบระงับมีกายก็สงบมีวาจาก็สงบมีจิตก็สงบตั้งมั่นละกิเลสในจิตในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปแล้วท่านก็อยู่ด้วยความ สงบเยือกเย็นแล้วว่าโยในนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขใจมันเป็นสุขใจไม่ไปทุกขแทนใครใจโยใจนิ่งใจเย็นใจสบายใจไม่วุ่นวายภายนอกแล้วว่าใจหนักแน่นในธรรมปฏิบัติเป็นจิตใจอันแน่วแน่มัน่นคงไม่ลหลงไหล เป็นจิตใจอันมีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ทอดท้อ่อนแอในหัวใจจิตใจนั้นเชื่อว่ามีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ใดภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญาญาณเลิกละกิเลสลาคโทสะโมหะ อันจิตใจนี่ลุ่มหลงอยู่มัวเมาอยู่ให้หมดไปสิ้นไปก็จะแจ้งด้วยปัญญาตาใจของผู้ปฏิบัตินั่นไม่ใช่ผู้อื่นจะไปเลิกไปละไปถอนให้ไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนีดอยู่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราตถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัส พระธรรมเทศนาผู้ชี้แจงแสดงอันใดเป็นบุญเป็นบาปพระองค์ก็เป็นผู้ที่แจงแสดงให้ฟังเท่านั้นส่วนว่าสาวกทางหลายผู้ปฏิบัติทางหลายจะนำไปละกิเลสลาค ะ, ะโทสาโมหะนั้นเป็นเรื่องของตัวแต่ละบุคคลเป็นเรื่องของสาวกทางหลาย ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปละกิเลสให้ถ้าผู้อื่นละกิเลสให้ได้ก็ผู้นั่นก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องบาเพ็ญทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาคอยให้พระพุทธเจ้าหิวไปนิพพานคือมันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึก สอนเทศสนาบอกลั่งสั่งสอนแล้วเราทุกคนก็ให้เป็นคนหมัน่นขยันขันแข็งลุกขึ้นภาวานาพิจารณาธรรมกรรมฐานในจิตใจของตนให้ได้อย่าปล่อยให้อำนาจใดๆมาทับถมจิตใจจนกระทั่งภาวานาไม่ลงภาวานาไม่ได้ภาวานาไม่เป็นไม่ได้ ต้องลุกขึ้นเอาจิตใจตื่นขึ้นลุกขึ้นฝนจะตกก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคหนาวก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคร้อนก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคเรื่องอะไรอะไรมันกระทบตากระเทือนหูเข้ามาถึงกายวาจาจิตของเราก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคคือไม่ให้ใจไหวหวันท่านพึงไปตามเรื่องราวเหตุการณ์ภายนอก พุโทโอพระพุทธเจ้าอยู่ภายในธรรมโมพระธรรมอยู่ภายในสังโฆพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเมโยภายในเมโยในตัวเมโยในใจของเราทุกคนเมื่อเมโยภายในเราก็ต้องรวมจิตรวมใจเอาจิตใจของเราเข้ามาอยู่ในใจในตัวของเราให้ได้ ไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดก็ตั้งจิตเจตนามั่นคงหนักแน่นลงไปในหัวใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจกลงนี้ให้ได้จเจริญอยู่นึกอยู่พิจารณาอยู่อันร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ได้แก่เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง มังสังเนื้อนะหาหรูเอ็นอัธิกระดูกอธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังมะลัมหาทยังหัวใจในอาการสามสิบสองในร่างกายสังขารของตัวเองนี่แหละจะต้องกำหนดพิจารณาให้เข้าใจในใจของตัวเองไม่ใช่ว่าไปพึ่งคนอื่นพึ่งศีลสมาธิปัญญาที่เราบำเพ็ญอยู่นี่เอง เป็นดวงปฏิบชวาวลาสองทางสองให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมียานอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไป ไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นเรื่องละจีเลตความโกรธโลกหลงในจิตในใจของเราให้เบาบางหมดสิ้นไปนั่นแหละเมื่อจีเลตมันเลิกไปได้ละไปได้ปล่อยวางเด็ดขาดลงไปได้ปัญญาวิชาความรู้มันก็ไม่มาที่อื่นก็มาจากคิดใจนั่นเอง มาจากการละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปนั่นเองไม่ใช่มาจากที่อื่นผู้บำเพ็ญตะปธรรมในทางพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยความอดความทนจะต้องมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างทุกประการแต่มันเป็นความเพียรภายในไม่ใช่เพียงแต่ภายนอก พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจ ต, ติบุคคลจะล่วงทุกไปได้ก็เพราะความเพียรความเพียรความหมันความขยันขันแข็งในจิตใจของตนไม่ว่าจะมีเหตุลายเหตุดีอย่างไรบังเกิดมีขึ้นท่านก็ไม่ให้ไวหวันท่านพึงรุ่มหลงมัวเมาไปกับโลกียะวิสัย คือให้ใจของเราตั้งมัน่นอย่าได้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายต้องเป็นเมต้องมีความตั้งใจมั่นในใจของตนเป็นที่อยู่อาศัยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนก็มีสติคอยระมัดระวังรักษาจิตใจดวงรู้อยู่นะภายในใจนั้นให้มีความสงบตั้งมัน่น จนไม่หันเหไปกับอารมณ์กิเลสกิเลสต่างๆนั้นมันเป็นที่จิตใจเราไปส่งเสริมต่อเติมเข้าไปมันจึงเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ถ้ากายเราก็ส ง, งบอยู่วาจาก็ส ง, งบอยู่จิตใจก็ภาวนาอยู่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในหัวใจให้มันหมด สสะอาดเรื่องราวทั้งหลายมันกระจบลงไปทาให้ทำความเพียรละกิเลสในหัวใจแล้วไม่มีทางจบลงไปได้เพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันวนอยู่ในอาการอันเก่าท่านเปรียบ้ปปาเหมือนอย่างว่าพายเรืออยู่ในอ่าง อยู่ในที่ไม่มีที่ออกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นหรือว่าเหมือนมดที่มันไต่ขอบด้วยวนไปมาอยู่อย่างนั้นมันก็เข้าใจว่าไปได้ไกลที่สุดแท้ที่จริงมันก็วนๆอยู่นั่นเอง เจ็บใจคนเราที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ไม่ภาว น, นาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เพราะมันมาวนอยู่มาหลงอยู่ในสิ่งอันเก่าไม่มีอะไรใหม่มันก็หลงอันเก่านั่นแหละตาเห็นโลกโลกมันก็มีอยู่อย่างเก่าโลกนั้นตาตามความจริงมันก็เป็นลูกคอยจะเน่าจะแตกจะทำลายอยู่ ทำมันแตกทำลายตายเมื่อใดล่ะไปดูเถิดผู้พังเหม็นของตลอดล่ะเพราะจิตหลงอันนี้เองไม่พินิจปิจารณาด้วยปัญญาอันชอบจึงได้มายึดหน้าถือตาได้มายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลเราเป็นชาตินั่นชาตินี้ชาติอะไรก็ชาติเกิดมาทุกนั่นแหละ เกิดมาแล้วก็แก่แก่ก็เจ็บไข้เจ็บไข้ก็ตายตายแล้วก็เกิดมาเพราะความไม่รู้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจขณะนี้เวลานี้ให้พร้อมูลบริบูรณ์ตาเห็นรูปก็ไม่หลงรูปดีก็ไม่หลงรูปเลวชามก็ไม่โกรธเคียดแทนเสียงเพลาะเสียงไม่เพลาะก็เจ็ดใจภาวนาอยู่ในใจ กลิ่นเหม็นหอมมันก็มีอยู่ในโลกนี้จิตอย่าไปยินดีข้างหอมอย่าไปเกียทางกลิ่นที่เหม็นมันก็มีอยู่เท่าเก่านี่แหละรถอาหารการกินก็มีความลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของอรสอร่อยแท้ที่จริงก็กินน้ำลายของตัวเองกินที่เสลทของตัวเองนั่นแหละ เมื่อโยภายนอกก็ว่ดดิบวัดดีขั้นเข้ามาในปากกลืนลงไปในท้องในใส้ก่อนเน่าพวกพังเวลาถ่ายออกมามันก็ไม่ดีไม่วิเศษอะไรมันก็เท่าเก่าอย่างเก่านั่นเองเพราะจิตนี้ไม่ภาวานาเพียนเพ่งดูให้ดีให้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบ จึงได้หลงในลิ้นในรถหลงในกายหลงในเครื่องสัมผัสของหลังกายเพราะจิตไม่ภาวานาจิตไม่พินิจิจารณามาหลงไหลโยกแค่ปลายลิ้นมาหลงไหลโยกแค่ผิวหนังไม่ภาวานาให้มันหลุดออกพ้นออกจากรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคล พระพุทธเจ้าท่านภาวนาแจ้งอกแจ้งใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงท่านทำจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารไม่มีผู้ใดจะไปทำให้ท่านท่านท่านภาวนาของท่านท่านละท่านเลิกท่านปล่อยท่านวางท่านเบื่อท่านนายท่านคลายกิเลสหลักะโทสะโมหะของท่าน ด้วยญาณด้วยปัญญาพิจารณาที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมของพระองค์เองไม่ใช่พวกเราไปทำให้ท่านแม่ตัวเราของเราที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิชาวีมุตตความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็ต้องทำเองปฏิบัติเอง อย่าไปท้อแท้ออนแดว่าไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยมันบ่นเพลิ่มลาย ไ, ไปตามธรรมดากิเลสอย่างนั้นแหละเราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาให้มันต่อเนื่องอยู่ในใจให้มันมองเห็นในใจอยู่ทุกเวลาพุทธโธพุทธะ แปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันมีอยู่ทุกคนแต่ว่าจิตนั้นมันยังมีหลงอยู่จึงไม่จัดเป็นผู้รู้แท้ยังเป็นผู้รู้ปลอมอยู่เอาให้มันบริสุทธิ์ใสสะอาดตั้งมั่นหนักแน่นไม่วันไหวมีความไม่วันไหว ทำใจให้เหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หวั่นไหวรับรองทั้งคนทั้งสัตว์ทางวัตถุภาพทั้งหลายเต็มโลกแผ่นดินก็รับรองได้ใครจะทําอะไรให้แผ่นดินแผ่นดินก็เฉยได้เจียตใจของผู้ภาวนาภายในใจเราทุกคนก็เหมือนกัน ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไห น, น, ไหนเดินที่ไหนเดินที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในใจเห็นแจ้งอยู่ในจิตในใจว่านี่มันตัวทุกข์นี่มันก้อนทุกข์นี่มันทุกข์จริงจริงนั่งเป็นทุกข์ในนัง่งถ้านั่งไม่เคลื่อนไหวไปนั่มาเดี๋ยวก็เกิดเป็นไฟมอนโลกขึ้นมา ยืนเดินนั่งนอนมันก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นไม่ใส่สุพมันเต็มไปเลยทุกเลยโทษจิตใจผู้โยภายในก็ภาวนาให้มันเห็นแจ้งอยู่ในจิตในใจอย่ามายึดเอาถือเอาโน่นโน่นนี่นี่เอาให้มาจิตใจไม่หลงไหลในโลกนี้ทั้งโลกในโลกหน้าก็ไม่หลงไหล ไม่ต้องให้จิตใจมันแสวงหาพบให ม, ชหม่ชาติใหม่พบใดชาติใดก็เหมือนกันกับพบนี้ชาตินี้แหละเกิดมามีตัวมีตนมีลูกมีนามมีกายมีจิตอย่างนี้จิตหลงอันนี้มันก็มาหลงอยู่อย่างนี้แหละมายึดเอาถือเอาว่าตัวค่าของข่าตัวกูของกูมันไปถึงไหนตายแล้วก็ทิ้งด้วยกันทุกคน ไม่มีใครจะมาหาหามเอาร่างกายสังขารอันนี้ไปได้หน้าที่ของผู้ภาวนายาได้มีความท้อถอยจงเป็นผู้เดินหน้าไม่ต้องถอยหลังเข้าครองเดินหน้าก็คือว่าภาวนาไม่หยุดไม่หย่อนดาบใดยังไม่แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติเราจะไม่นิ่งนอนใจ นั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาตาดูหูฟังจะโมกดมกินลิ้นลิ้มลดกายถูกต้องโพธพิภพใจคิดธรรมอารมใดๆก็ไม่ต้องหลงไหลเ็ดใจผู้รู้โยที่ไหนชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมนตินโทษ ความโกรธไม่ให้มีความโลภความอยากได้ในใจไม่มีความหลงในใจก็ไม่ให้เกิดมีขึ้นมาได้เรียกว่าเพียรพยายามเพียรพยายามอยู่ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเป็นผู้มีสติมีความตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของตนทุกเวลา ไม่ว่าจะเวลาเช้าสายบ่ายค่ำอย่างไรก็ตามจิตใจนั้นเรียวว่าตั้งมั่นอยู่เสมอมีความเขียนเป็นเบื้องหน้าอยู่ในจิตในใจของตนทุกเวลาทําอะไรก็มีสติในเวลาทําพูดอะไรก็มีสติในเวลาพูดคิดอ่านอะไรก็มีสติในเวลาคิดอ่านนั้ น, น, น เมื่อจิตใจมีความหมั่นขยันขันแข็งภายในจิตใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายผ่ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาะชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรายโอสุขีตีคายุโกภวะอิวาธนาสิริสเนจังวุ ธ, ธาปจายิโน ยัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโสจุขังผาลังตอนนี้ไปเป็นเวลาถึงเวลาใดเวลานั่งสมาธิภาวนา ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิเพชให้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชรมีมาตั้งแต่สมัยพระพุท ธ, ธเจ้าของเรานั่งไต่ล้มมุโผสีจึงได้ตรัสโลพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชตั้งแต่นูน้นจนถึงวันนิพพาน พระองค์ก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนเราด้วยอานิสงส์นั่งขัดสมาธิเพชรแต่คนเราสมัยนี้ท่านนั่งขัดสมาเพชรก ที่เมืองพารานาสีเมืองพารานาสีนี้อยู่ในประเทศอินเดียพระองค์สเสด็จมาโปรดปันเจวะกีฤษีทั้งห้าให้ภาวนาละกิเลสไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไปตามอำนาจกิเลส เมื่อพระองค์มาสเสด็จมาถึงที่วัดที่สำนักของพระอาจารย์ปัญจวคีลูกศิษย์พระองค์เองพอเห็นพระพุทธเจ้าสเสด็จมาแต่ไกลก็ซบซิบกันว่าคือว่าก่อนปัญจวคีทั้งห้าจะ หนีออกจากพระองค์มาก็ตอนที่พระองค์พระมานกายไม่ค่อยได้สเสวยอาหารมากจนกระทั่งว่าร่างกายผอมโซถ้าผู้มาบวชในศาสนามาหลายๆปีก็จะเห็น ว่าสมัยพระองค์ทำทุกขระกิริยาเห็นเส้นในร่างกายสับงลังไปหมดเหมือนกับยะลายกว่าคนเท่าคนแก่และพระองค์ก็เข้าใจเองว่ามันไม่ใช่หนทางทำอย่างนี้ปฏิบัตินี้ไม่ใช่หนทางพระองค์ก็เปลี่ยนใหม่ คือว่าสเสวยอาหารสันบินทบาททุกวันทุกวันปัญจวคีรอชีทางห้าเห็นว่าพระองค์กลับมาสันบินทบาทก็เลยหลบหนีว่าศีรษะราช ก, กุมารแทนที่จะอดทนต่อไปจนตัดสู้ก็กลับมาเป็นโ้รับมักมาก มากินอาหารบริโภคอาหารปัญจาวกีฤสีทังหาก็หลบหนีจากพระพุทธเจ้ามาโสเมืองพาลานาสีพระองค์ก็ยังมีเมตตากรลุณามุทิตาอุเบกขากับปันจาวกี พอพระองค์เสด็จมาจวนจะถึงที่สำนักปัญจวัคคีหรือสีตังห้าอยู่จึงได้สุบทิดกันว่าโน้นพระสมณะโคดมี่ตตะาราชกุมมารเป็นคนมากมากพวกเราอย่าไปต้อนรับท่านนะนบอกกัน เมื่อมองเห็นแต่ไก่ ก่แนะนำสั่งสอนจนอัญญาโกนดัญญะผู้หัวหน้าได้สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผลในทางพุทธศาสนาสแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงละกิเลสได้จริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่ตั้งกวง ลูกสิทธิ์หลีกหนีไปก็ยังไปตามโปรดตามสอนนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์สิ่งเดียและสานทั้งมนุษย์ทั้งเทว ด, ดาพยาอินพยาผมพระองค์ก็มีความเมตตาทั่วไป ยนเผยแผ่พระศาสนามาถึงพวกเราทั้งหลายในเวลานี้พระองค์ก็ดับขันเข้าสู่นริฟานมาเป็นเวลานานสองพันห้าร้อยสามสิบสองปีนี้แล้วก็นับว่าเป็นเวลายาวนานแั่นั้นวันนี้ให้เราตั้งอกตั้งใจ ว่าพระพุทธเจ้าท่านดับขันเข้าโสนันตุพานแล้วก็เป็นเรื่องของท่านตามเบมจกขันรูปร่างกายจะต้องมีชลาพยาธิมลนะแต่พระธรรมคำสอนของท่านนั้นยังคงที่อยู่ผู้ใดปฏิบัติดีในขั้นใดภูมิใด ก็ยอมได้บุญได้กุศลตามขั้นตามภูมิที่ตรงตน ต, ตั้งออกตั้งใจทางนั้นนับตั้งแต่ทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลแปดรักษาศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดจเริญสมถกรรมฐานวีปัจจนากรรมฐาน ถ้าตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำจริงๆก็จะได้บรรลุมรผลคนนุณธรรมในทางพุทธศาสนาอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เราก็ไม่ทำอะไรไม่ภาวนาหละอยากกินกินนอนๆอนไปชั่ววันตายเท่า น, นั้นก็พอแล้วอันนี้ไม่ถูกต้อง เราต้องตั้งใจว่าพระพุท ธ, ธเจ้านั้นมีความเมตตาแก่สัตว์โลกแต่ตัวเราเองไม่มีความเมตตาแก่ตัวเองปล่อยปะละเลินเลยไปปล่อยให้กิเลสราคะโทสะโมหะมาย่ำายีหัวใจจนกระทั่งลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ มันเป็นความประมาทของเราเองเมื่อผู้ใดมารู้สึกว่าเราเป็นคนประมาทัมเมามาแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็อยามประมาทโมเมาความไม่ประมาทนั้นได้แก่ผู้มานึกภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก อย่างพระองค์ทรงตัดสอนพระอานนท์ว่าโดก่อนอานทน์ในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งผ่านพ้นไปนั้นมีชั่วโมงอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอานนท์ได้นึกถึงความตายวันหนึ่งมีกี่ครั้ง ท่านพระอานนุ์พุทธะอปปถาดก็ทลตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระเจ้าข้าเมื่อพระอานุนตอบอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตัดสวนคำไปบอกว่าดูก่อนอ น, นุ์ วันหนึ่งตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนึกถึงความตายได้ขนาดหลายพันข้างนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนต์นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจโสดเข้าไปเมื่อใดก่อนนึกว่าเราจะต้องตายในเวลาลมหายใจเข้าไปนี้ เวลาลมหายใจออกมาก็ให้อนน์นึกว่าช่วงเวลาลมหายใจออกมานี่เราก็อาจจะตายได้ในเวลาลมหายใจออกมาเข้าไปใหม่ออกมาใหม่คุณนึกอย่างนั้นจเจริญ อ, อย่างนั้นเรียกว่ามาลนังเมพาวิสติมลณะนะมละนังก็ความตาย ทุกคนที่เกิดมาต้องตายไม่มีใครจะไม่ตายที่ว่าเราคิดว่าคงไม่ตายง่ายๆปีนี้ก็คงไม่ตายปีหน้าก็ไม่ตายร้อยปีก็ยังจะอยู่ไปได้อีกอันนี้คือความประมาทต้องนึกไเห็นจเจริญให้ได้ ว่าลมเข้าไปถ้าเกิดติดขัดลมหายใจออกไม่ได้เราก็ตายคนอื่นก็ตายสัตว์ทั้งหลายก็ตายจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอีกว่าส่วนว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เอง นับตั้งแต่ได้ตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปพร้อมทังบาทสนาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ไม่ได้ประมาท นึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าพระองค์เองก็ต้องตายเหมือนคนทั้งหลายคนทั้งหลายเขาตายได้อย่างไรพระองค์เองก็ต้องตายอย่างนั้นความตายนี้มันขยับเข้ามาใกล้ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกทีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีพระองค์ไม่ได้ประมาทเลย พระองค์เอาความตายเอาลมหายใจเป็นบทภาวนาจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกเป็นศาสดาจารย์ของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทุกทวนนาพระองค์ชื่อว่าเป็นผู้โปรดสัตว์ลือขนสัตว์ไปโสนิพาน อันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาไข้มาตายและไม่ต้องมานอนในคันมารดาอีกไม่ต้องมากินมานอนเป็นทุกเป็นร้อนอย่างที่เราเกิดมานี่ไม่มีพระองค์มุ่งให้ทุกทุกคนทุกตัวสัตว์ในโลกให้รักษาศีลภาว น, นา ทำจิตใจให้หลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะเอาจิตใจไปสนิพพานเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายบุญวายตามกิเลส <c oughs> แห่งนั้นเราต้องพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาจะได้นิ่งนิ่งนอนนอ น, น, อ, นอยู่เลย เพราะทางพ้นทุกภัยในโลกในวัฏฏสงสารนั้นยังเปิดทางไว้อยู่เปิดช่องเปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้ให้พวกเราทั้งหลายภาวนาไปโซนิพานเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยสง์